จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9ก้าคูาพัน์พุทธศักราชส5 5พบเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาพัฒนา ใจิตใจที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตเราใจเป็นใหญ่กายเป็นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นสิ่งที่อยู่ไปอย่างถาวรส่วนร่างกายอยู่ได้ชั่วแปดสิร้อยปี <c oughs> ก็ต้องเสื่อมหมดไปการพัฒนา จึงควรพัฒนาที่จิตใจเพราะจะเป็นการพัฒนาที่แท้จริงที่ยั่งยืนและที่ถาวรส่วนการพัฒนาทางร่างกายก็พัฒนาได้เพียงช่วงอายุไขของร่างกายพอร่างกายตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่พัฒนาเพื่อร่างกาย ก็จะหมดสภาพไปสิ่งที่เราพัฒนาเพื่อร่างกายก็คือลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นความสุขเชื่อคราวมีอายุยาวนานเท่ากับอายุของร่างกายแต่การพัฒนาความสุขทางจิตใจ ความเจริญทางจิตใจนี้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและถาวรเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าพวกเราได้พัฒนาจิตใจกันมาทุกภพทุกชาติปานนี้พวกเราก็คงจะได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากัรไปบวชแล้ว แต่เนื่องจากว่าพวกเราเกิดมาในแต่ละพบแต่ละชาติเราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจต่อการพัฒนาจิตใจเราให้ความสนใจต่อการพัฒนาทางร่างกายทางาลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางจาหจงหูจมุกวิ่งกายพวกเราจึงเหมือนกับยืนอยู่กับที่ไม่ได้ก้าวนา ไปถึงไหนเลยกลับมาเกิดกี่ยวพบกี่ชาติก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิม อ, อยู่ทุกภพกทุกชาติไปเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาจิตใจนั่นเองถ้าเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจรับรองได้ว่าเราจะไม่กลับมาเกิดทุกภพกทุกชาติอย่างที่เราเป็นกันอยู่ ในปัจจุบันนี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษที่สุดเพราะมีพระพุทธศาสนามาสอนมานำทางถ้าเราเชื่อแนละปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ภายในชาตินี้เราก็สามารถ พัฒนาจิตใจของเราให้ถึงจุดสูงสุดได้เลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติต่อไปแต่ถ้าพวกเรายังเสียดายกับความสุขทางร่างกายยังเสียดายกับลาบยดสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโวดทพัพพวกเราก็จะก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมา พัฒนาทางด้านจิตใจยังไม่ค่อยมีเวลามาทำบุญมารักษาสิงมาภาวนาเพราะว่าเราจะต้องคอยดูแลคอยแสวงหาลาภรถสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเช่นเราทำมาหากินหาเงินหาทองพอเราได้เงนินได้ทองมา เราก็ต้องเสียเวลากับการเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆแต่ความสุขที่พวกเราได้จากการซื้อเงินทองนี้เป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขเพียงเดียวเดียวเป็นความสุขที่ได้รับเวลาที่เราได้ใช้เงินใช้ทองเช่นเวลาเราไปซื้อข้าวซื้อของที่เราอยากได้ พอเราซื้อมาแล้วเราก็มีความสุขแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปเราก็อยากจะซื้อของใหม่เพิ่มขึ้นอีกเราก็ต้องหาเงินมาซื้ออีกซื้อเท่า่ความสุขก็หายไปหมดมีเหนือแต่ข้าวของต่างๆเต็มบ้านไปหมดแต่ข้าวของต่าง ๆ, าง ๆ, างๆไม่สามารถดับความวุ่นวายใจดับความทุกข์ใจ ไม่สามารถรักษาความสุขให้กับเราได้นี่คือความสุขที่พวกเรากำลังแสวงหากันอยู่ด้วยการทำงานทำการหาเงินหาทองพอเราได้เงินทองมาเราก็นำไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เอาไปทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทำแต่พอได้มาแล้วทาไปแล้ว ความสุขที่ได้มาก็จะหายไปเราจึงต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องไปซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเราต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำเราก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดังคาญใจรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจนี่คือความสุขที่พวกเรา แสวงหากันอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเราได้พบกับ พ, พุทธศาสนาเราได้ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราหาความสุขทางจิตใจเพราะความสุขทางจิตใจนี้ไม่จางหายไปเป็นความสุขที่เราไม่ต้องเติมเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้มันมีเต็มที่ก่อน ตอนนี้ต้องเติมเพราะว่ายัางมีไม่มากเหมือนกับน้ําถ้าเราเติมน้าเข้าไปเต็มตุ่แล้วถ้าตุ่ไม่รัว่วเราก็ไม่ต้องเติมน้ําเข้าไปอีกความสุขทางใจนี้เป็นเหมือนน้าที่เราเติมเข้าไปในตุ่ที่ไม่รัว่วพอเราเติมได้เต็มแล้วเราก็จะมีความสุขเต็มที่อยู่ตลอดเวลาส่วนความสุขทางร่างกายนี้ เป็นความสุขที่เหมือนกับการเติมน้ำใส่ตุ่มที่มีรอยรั่วเติมก็ไปเท่าไหร่ต่อให้เติมให้เต็มไม่นานตุ่มมันก็จะแห้งเพราะมีรอยรั่วอยู่ในตุ่มไ ม, ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ในตุ่มได้ฉันได้ความสุขทางตาหูจมูกทิ้งกายความสุขจากการได้ลาบยศสรรเสริญ ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกับการเติมน้ำใส่เข้าไปในตุ่มที่มีรอยรั่วเติมเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีถ้าเต็มก็เต็มเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวก็พองลงไปนี่คือความสุขทางลาบยศสารเสดทางตาหูจมูกลินกายที่พวกเรากระทำกันแสวงหากัน เราจึกต้องหามาอยู่เรื่อยๆหามาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะเต็มได้เพราะว่าเราไปตักใส่ตักน้าใส่ถุงที่มีรอยรั่วนั่นเองคือร่างกายของเราความอยากของเราทางลาบยศรรสะะเสริญทางตาหูจมูกมืนกายนี้เป็นความสุขที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแต่ความสุขทางใจนี้ มีวันอีกมีวันพอถ้าทําได้เติมถ้าทําได้เต็มที่แล้วเติมน้าในถมได้เต็มที่แล้วเราก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์หลังจากที่ท่านได้เติมความสุขเข้าไปในใจของท่านได้อย่างเต็มที่แล้วท่านก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปความสุขมีอยู่ตลอดเวลา ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมกไปเป็นบรมังสุขขังบรลมมะสุขนี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ถาวรที่พวกเราควรที่จะเติมกันสร้างกันขึ้นมาอยู่เรื่อยวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้ อยู่สามขั้นด้วยกันคือหนึ่งทานคือการให้ศีลคือการละการกระทำบาปสามภาวนาการชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์หรือถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับการซ่อมตุ่มงงน้าตุ่มที่มีรอยรั่วมาอุดรอยรั่วเสีย ถ้าตุ่มไม่มีรอยรั่วแล้วน้าที่เราเติมเข้าไปในตุ่มก็จะไม่มีวันพร่องไม่มีวันหลดไปฉันใดใจของพวกเราก็เป็นเหมือนตุ่มที่ยังมีรอยรั่วอยู่สสามรอยด้วยกันก็คือตันหาความอยากสามชนิดที่เรียกว่าหนึ่งกามาตันหาความอยากในรูปสีกิจมโนตุพตปสองภวะตันหา ความอยากมีอยากเป็นสวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือรอยรั่วที่มีอยู่ในใจที่เราต้องมากำจัดเสียด้วยการภาวนาการภาวนานี้จะอุดรอยรัว่วสามรอยนี้ได้อย่างถาวรถ้าเราอุดรอยรั่วได้แล้วความสุขที่เราเติมเข้าไปในใจของเรา ก็จะไม่มีวันหมดไปเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้อุดรอยรั่วทั้งสามรอยนี้แล้วด้วยการภาวนาด้วยการรักษาสิงด้วยการทําทานการที่เราต้องทำทานรักษาสิงก็เพื่อที่จะดึงพวกเราออกจากการทำมาหากินหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองนั่นเอง ให้เราใช้เงินด้วยการทำทานเพราะเวลาทำทานแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขแล้วก็ใจก็จะไม่ไปทำบาปทำกรรมเพราะไม่มีความโลภอยากได้เงินได้ทองแล้วก็จะมีเวลามาภาวนามาอุด บ, บอยรั่วสามรอยที่มีอยู่ในใจของเราได้ถ้าเรายังทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาได้เพราะเรายังจะต้องมัวแต่หาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองมาเราก็ต้องเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองหาเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ต้องไปหาเงินใหม่อีกเพราะเมื่อใช้ไปเรื่อยๆ เ, เงินที่หามาได้ก็จะต้องหมดไป พอหมดไปก็ต้องไปหาหาเงินใหม่มาใช้ใหม่ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปจนวันตายจะไม่มีเวลาที่จะรักษาศีลได้เพราะเวลาเราอยากได้เงินมากๆเราก็มักจะต้องทำบาปอย่างน้อยก็ต้องโกหกหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องโกงทำอะไรค้ากาไรเกินควรเพราะอยากได้มากๆเวลาพูดอะไรก็ไม่พูดความจริง เพราะกัวคนจะไม่ซื้อของที่เราขายนี่คือปัญหาของพวกเราเราวัวหลงอยู่กับการหาเงินแล้วก็ใช้เงินเพราะเราคิดว่าการมีเงินการใช้เงินนี้จะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่มองเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆ มาทำทางมาช่วยเหลือผู้อื่นเราจะได้ความสุขที่เกิดจะภายในใจที่จะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไม่อยากที่จะไปใช้เงินซื้อความสุขเช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่เรามีอยู่มากมายแล้วแต่เราก็ยังกดที่จะซื้อมาไม่ได้ เช่นเสื้อผ้าอาภรณรองเท้ากระเป๋าหรือของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่เรามีอยู่แล้วพอเพียงอยู่แล้วแต่เนื่องจากใจเราไม่มีความสุขเราก็เลยคิดว่าถ้าเราซื้อมาใหม่ซื้อมาเพิ่มจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยมีข้าวของเต็มบ้านไปหมดจนไม่มีที่เก็บแต่ความสุขก็ยังไม่อยู่กับเรา ความสุขก็ยังหายไปอยู่ไม่เหมือนกับการเอาเงินเอาทองนี่ไปทําทานไปช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากทำแล้วจะทำให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจจะทำให้เราไม่อยากที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขชนิดต่างๆเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วคือความสุขที่เกิดจากการให้ทานนี่เองเมื่อเราไม่ต้อง ใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องทำงานทำการหาเงินหาทองแบบแบบแบบดิน่นรนเราก็ทาหาเงินหาทองแบบสบายๆไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปช่อโกหาได้เท่าไหร่เราก็ไม่เดือดรอ้อนเพราะเรามีรายจ่ายน้อยรายจ่ายที่เราจะ ต, ต้องใช้นั้นมีเพียงไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเราเท่านั้น ซึ่งไม่มากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่เราใช้กับการซื้อความสุขชนิดต่างๆถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขชนิดต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องดิ้นรนทราํางานทำมาหากินแบบแบบแบบช่อโกงแบบไม่สุดจริตแล้วก็จะทํามาหากินได้อย่างสุดจริตรักษาสินได้และเราอาจจะไม่ต้องทํามากก็ได้ เราก็จะมีเวลาเหลือไปทำภาวนากันเช่นอย่างน้อยวันพระก็สามารถไปนอนวัดได้ไปถือศีลแปไปไปภาวนาอยู่ที่วัดได้เพราะเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องธรรมะหากินมากจนเกินไปเพราะเราไม่มีรายจ่ายมากนั่นเองรายจ่ายเรามีน้อยมากอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะทำงานเพียงห้าวันก็ได้หรือสี่วันก็ได้ ปิดงานแะ่สามวันก็ได้แล้วมาหาความสุขทางใจจะดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็ไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายเราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้องเสียเวลากับการเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆทางร่างกาย นี่คือสิ่งที่เราควรทำกันคือตัดการหาเงินหาทองที่ไม่จำเป็นไปหาเท่าที่จำเป็นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทำบาปเราจะรักษาศีลได้เราจะมีความสุขเวลาใจเรารักษาศีลได้เราไม่ต้องไปคอยปกปิดบาปกรรมที่เราทำไว้เพราะเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ต้องวิตกกังวลวุ่นวาย กับบาปกรรที่เราทำแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาภาวนาทาใจของเราให้สงบให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้นี่คือเบื้องต้นเราต้องตัดเรื่องเงินทองให้ได้ใช้เงินทองให้น้อยที่สุดใช้เท่าที่จำเป็นแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินทองมากจนเกินไป เราจะได้มีเวลามารักษาสิแปลกมาภาวนามาอยู่วัดได้แล้วถ้าเราได้ภาวนาได้รักษาสิแปลกเราก็จะได้ความสงบเพิ่มมากขึ้นได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วความสุขในใจของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปจนมีเต็มหัวใจพอเรามีความสุขเต็มหัวใจแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรก็ได้เราก็จะอยู่อย่างสุขไปตลอดเวลา ไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับความขอบใจที่มีความสุขเพราะว่าความสุขของใจนี้สามารถกลบความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บเกิดจากความตายได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีความสุขทางใจ เรามีความสุขทางร่างกายแต่พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะต้องตายไปนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้จะไปกลบความสุขที่เราได้จากการมีเงินมีทองเป็นร้อยล้านพันล้านเหยเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้จะไม่สามารถ ป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เลยแต่ความสุขที่เราได้รับจากการทําทานรักษาศีลกับการภาวนานี้จะสามารถาดับหรือกรบความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้อย่างหมดสิ้นไปเลย คนที่มีความสุขเต็มหัวใจอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวงทั้งหลายท่านจึงไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะใจของท่านเป็นปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาเป็นมาลมมาสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีความทุกข์อันใดที่จะมาลบล้างลืนลดพลังของความสุขทางด้านจิตใจได้เลย พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ท่านจึงแก่อย่างสบายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสบายตายได้อย่างสบายพัดพรากจากสิ่งต่างๆได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่หวาดกลัวเลยแต่พวกเราที่มีราบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกายเป็นจำนวนมากนี้กับจะต้องทุกข์กับความแก่ ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งที่เรารักไปเพราะว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกนนภภลิน่นรสปวดทพานี้ไม่สามารถที่จะมาลบล้างหรือดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจากการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปได้เลยนั่นเอง นี่คือปัญหาของพวกเราถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าเรามีปัญหาและวิธีที่แก้ปัญหาของเราก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะเราแก้กันมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วกลับมาเกิดที่ไรก็มาแก้ปัญหาแบบนี้กันทุกทีแก้กันด้วยการหาเงินหาทอง แล้วก็เอาเงินเอาทองมาซื้อความสุขมาดับความทุกข์แต่ก็ซื้อความสุขได้แบบชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวและดับได้เพียงบางอย่างความทุกข์บางอย่างก็ดับไม่ได้เช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้เราดับความทุกข์ไม่ได้นี่คือปัญหาของพวกเรา จนกว่าเราจะได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างชาตินี้พวกเราโชคดีมากที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะเราจะได้พบกับผู้ที่จะสอนเราบอกเราให้แก้ปัญหาที่แท้จริงของพวกเราด้วยวิธีที่ถูกต้องด้วยวิธีที่จะทำให้ปัญหาของเราคือความทุกข์ของเราหมดสิ้นไปได้นั่นเอง นั่นก็คือได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบกับพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่จะสอนวิธีที่จะดับความทุกข์วิธีที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและได้อย่างถาวร น, นี่แหละคือเรื่องของพวกเราที่พวกเราจะต้องมาพิจารณาและมา แก้กันตอนนี้ปัญหาที่พวกเราพยายามแก้กันนานี้เราแก้มาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือวิธีหาเงินแล้วก็เอาเงินมาใช้เพื่อดับความทุกข์เพื่อมาซื้อความสุขนี่ไม่ใช่เป็นวิธีเพราะตอนนี้พวกเราก็ยังมีความทุกข์กันอยู่หามาได้มากน้อยเพียงไรใช้ไปได้มากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้ยังไม่สามารถสร้างความสุขให้อยู่กับเราได้อย่างถาวรดังนั้นทําไมพวกเราไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนวิธีกันบ้างมาลองทําวิธีที่พระเจ้าทรงสั่งสอนกันดูมาทําทานเพื่อยุติการหาเงินใช้เงินหาเท่าที่จําเป็นอย่าเอาเงินไปใช้เพื่อซื้อความสุขหรือดับความทุกข์ให้เอาเงินไปทําทาน แล้วเราจะได้ไม่ต้องดิ้นหนนหาเงินมากไม่ต้องทำบาปทากรรมทำกรรมในการหาเงินหาทองแล้วเราจะได้มีเวลามาวัดมารักษาศีลแปดมาภาวนาหรือมาบวชเลยถ้าเราอยากจะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการภาวนาให้กับการสร้างความสุขที่แท้จริง เราก็สละทุกอย่างไปเลยมีอะไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ทาทานไปสามีภรรยาบุตรธิดาก็ทำทานไปปล่อยให้เขาไปเป็นอิสระเขาอยากจะไปอยู่กับใครก็อยากจะไปเป็นอะไรกับใครก็ปล่อยเขาไปเราขอตัวเราเท่านั้นที่เราจะได้ไปบวชเพื่อเราจะได้ สร้างความสุขให้เต็มเปลี่ยนขึ้นมาภายในหัวใจอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท้าด้ท่านได้ปฏิบัติกันมาได้บำเพ็ญกันมาท่านยกสมบัติสละสมบัติสละทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ผู้อื่นไปแล้วท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามวัดตามวังเพื่อบำเพ็ญภาวนาจนในที่สุด ใจของท่านก็ได้พบกับความสุขที่สมบูรณ์ที่ถาวรไม่มีวันหมดไปแล้วท่านก็ไม่ต้องกลับมาแก้ปัญหาอีกต่อไปถ้าพวกเรายังไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติและบรรลุถึงความสุขที่ถาวรพวกเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่มาเติมความสุขมาแก้ปัญหาไปไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราจะแก้ปัญหาแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้แก้กันก็คือทำทานรักษาศีลและภาวนานี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ยั่งยืนคือความสุขทางใจด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนานี้ ให้ท่านได้นำออกไปเพนิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อความสุขที่ถาววารที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ